ทุนฝันที่เคารพคะวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ของรายการสัมสมีสนทนานะคะเราก็เริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นสัปดาห์กันอยากให้ผูท้ทวจนะคือธรรมนิยายนของภาษาสระเนี่ยไปคุ้มครองพวกเราทุกคนก่อนแล้วก็ไปพัฒนาให้พวกเราเป็นคนที่จเจริญในธรรมม า, มากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันในการดำเนินชีวิตก่อนที่จะไปะเผชิญกับโลกซึ่งจะเต็มไปด้วยสิ่งที่จะทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ย ต้องมีเกราะอย่างดีนะคะรวนถึงิฉันเองด้วยถึงจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดาเนินไปปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ตอนนี้เราก็ไปพบกับพระอาจารย์ไพบูรยอภิปุโนโจากวัปดปารณหายโศดอนธานีเพื่อที่จะเพิ่มพูนนะคะธรรมะของภาษาสดาค่ะกล่าวนมัธสการค่ะจเจนบาลท่านไพบูรเ์้าวันนี้วันพระค่ะอืมวันพระแรมสิบสี่ข้ามเดือนแปดไม่เดือนเจ็ดใช่าหมคะแล้วแรมสิบสี่ข้ามเดือนเจ็ด นะก็เป็นวันที่ระลึกถึงถึงวันรนะลึกถึงพระพุทธเจ้านะวางวางทําแต่จริงๆถ้าเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยบนพระเขาจะให้พระหยุดนะอย่างตามมาไรสงอย่างเงี้ยม ม, มรรหรือว่าจรรเนี่ยเขาก็<ช>จะให้พระหยุดวันพระนะอันนี้เป็นปัญหาของดิฉันเลยนะคะ <c oughs> คือเมื่อก่อนไปถวายความรู้พระ <c oughs> ใช่ไหมคะมมแต่ด้วยความที่เราในบ้านไกลามากเลยขับจากแถวรามอินทราเพื่อจะไปวังน้อยอืมแล้ว ในโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าองค์กร hesion, ที่ไม่เกี่ยวกับพระที่มีเยอะอยู่ใช่ไหมคะอืเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงวันพระทันเท่าไหร่อืมเขาก็จะไปผิดบ่อยมากเลยค่ะไปแล้วจะเห็นตึกโล่งๆโอ้โหอาคารเวงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเลยอืมเพราเป็นวันพระวันองค์กรเกิดกับพระหยุดแล้วยังไงต่อคะท่านคะแต่ว่าหยุดเนี่ยพระก็ไม่ใช่ว่าหยุดอยู่วัดแล้วอยู่เฉยๆนะคือมาอยู่วัดแล้วก็ต้องมีคนมาทําบุญอะไรต่างมันก็เลยไม่ได้หยุดไปอีกอะสรุปวันพระพระไม่ได้หยุดหรอก เปลี่ยนจากที่ทํางานจากที่ทํางานมาเป็นที่บ้านไอ้ที่วัดอย่างเงี้ยอ๋คอค่ะเพราะฉะนั้นในวันพระเนี่ยสําหรับวันพระที่คราวนี้ก็จะเป็นวันพระที่สำคัญนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นวันก็เรียกว่าทุกสิบห้าค่ำทุกสิบห้าวันกึ่งแห่งเดือนเนี่ยพระก็จะมีการลงป า, าติโมกขกันนะคือเอาศีลมาทบทวนกันค่ะเราก็ถ้าจะเป็นในประเทศไทยเราก็จะกนผมกันทุกหนึ่งเดือนคือในส่วนของข้างขึ้น ตรงนี้เป็นข้างแรมก็อพึ่งกลบผมมาสิบห้าวันอย่างงี้นะะแ ต, แต่บางที่ก็จะกลบทุกสิบห้าวันกันบางวัดในเมืองไทยค่ะ น, นี้เราได้รับทราบเรื่องของพระว่าวันพระทุกสิบห้าวันพระจะทําปฏิโม<ช>กข์จะขออนุญาตสอบถามท่านเรื่องปฏิโมกข์เลยได้ไหมคะเพราะว่าเพิ่งไปเห็นบรรยากาศของการปฏิโมกข์มาที่วัดที่นครสวรรค์ วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ า, ฟากัลยาณิวัฒนาอดีช่วงก่อนเข้าวันวิสาขะนะคะได้ไปถ่ายทำรายการที่นั่นแล้วก็ถือโอกาสไปทำบุญไปปฏิบททัติธรรมกันกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งดีเจอพระสงฆ์เนี่ยค่ ะ, คะก็ขอตัวจากพวกเราที่กำลังสนทนากับท่านอยู่เนี่ยว่าเดี๋ยวจะไปทาปฏิโมกข์พวกเราก็ยังอยากจะสนทนากับพระสงฆ์ต่อ จึงกราบเรียนถามว่าอยู่ในระแวกใกล้ๆได้ไหมท่านก็บอกว่าใกล้ได้แต่อย่าให้ถ้าฟังไม่ผิดนะคะเกินหัตถบาตก็แล้วกันทีนี้<ช>สงสัยทั้งหมดเลยว่าอย่างปาติโมกเนี่ยคืออะไรปาติโมกนี่เป็นศีล น, นะศีลระบบศีลของพระนะสมรวมด้วยดีในปาติโมกนถึงพร้อมด้วยมารยาและโคจรสมาทานศึกษาอยู่ในสกาบทั้งหลายนะคว่าปาติโมกนี่ก็หมายถึง ระบบศีลที่ต้องมีการปรองอบาดนี่คือปติโมกนะมีเป็นสิกขาบทสิกขาบทก็จะพูดเป็นภาษาชาวโลกก็คือว่ามีเป็นมาตรานะมีเป็นมาตราเนะ่ยทีนี้ปฏิโมกคือศีลทีนี้ถามว่าเออทำไมต้องมาทบทวนศีลด้วยนะผู้เจ้าครั้งหนึ่งอยู่ในที่หลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวนะลีกเลนอยู่ก็มีความมรลึกว่า เ, ออเราน่าจะบัญญัติให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยมาทบทวนม า, าทบทวนปฏิโมกทุกครึงแ่งเดือน คืออันนี้ไม่ได้มีใครขอไม่ได้มีเหตุมาจากอะไรแในอยู่ๆก็บัญญัติขึ้นมาเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งะเป็นอันเดียวแต่ทั้งคืออย่างเช่นวินัยต่างๆระบบของพระต่างๆเครื่องแบบต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เหตุมัพปะสมากระทบนะคือมีคนมามาคอมเพลตมาโวยวายตรงนี้อาบุญจักก่แก่ไปอย่างนั้นมีคนทำบิดตรงนี้อาบชญจักก่แก่มาอย่างนี้นะจึงให้มีบัญญัติต่างๆแต่ในเรื่องของวินัยที่เกี่ยวกับปฏิโมกขันมาทบทวนศีลตรงเนี้ อยู่ก็ก็พูดขึ้นมาเองคอเหตุผลพอจะทราบไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรไม่มีอะไรที่ตรัสไว้ก็คือว่าเราน่าจะอนุญาตให้มีการปฏิโมก็แค่นี้เองไม่ได้มี<อ>เหตุะอะไรมาก่อนเลยทีนี้ถามว่าทบทวนกันทุกสิบห้าวันเอาอะไรมาทบทวนพร ะ, ะพุทธเจ้าก็ได้การทบทวนเนี่ยจริงจริงศีลของพระมันมีมากมากจริงๆนะ ถ้าจะนับการประดิษฐ์เป็นหลายพันข้อน่าจะนับเป็นตัวมาตราแต่ที่เอามาทบทวนกันจริงๆเนี่ยไม่ได้เอามาทบทวนทุกมาตรานะคือเอามาทบทวนเฉพาะสีนที่เป็นเบือเเบ้องต้นแห่งพรหมจรรย์สีนที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์มันก็จะมีอยู่เป็นร้อยๆข้อเหมือนกันเป็นหลายๆร้อยข้อ2องร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ ใช่ใชสองร้อยยสบเจ็ดนี่ทบทวนหมดทบทวนหีอย่างไรครับานครัเอามาอ่านให้ฟังมาท่องให้ฟังคือคือคนที่จะเอามาทบทวนเนี่ยนะต้องจําได้นะคือไม่ใช่ว่าอ่านตามหนังสือนะอเพราะฉะนั้นอก็จะมีบุคคลที่ทําหน้าที่เอาศีเนี่ยมาทบทวนทบทวนนี่คืออ่านให้ทุกคนฟังอ่านนี้ไม่ใช่คนเดียวอ่านทั้งหมดคนเดียวท่องทั้งหมดเลยถูกต้องถูกต้องท่องทั้งหมดเลยโอเโอ่าแล้วเป็นไปได้เหรอคะจะ ทุกวันนี้ก็มีกันนะก็ไปดูกันได้ทบทวนกันเกือบทุกวัดเท่าที่เดี๋ยวทราบเนี่ยวัดอย่างไรบ้างที่ไม่ต้องทบทวนกันได้ไหมวัดที่มีภิกษุน้อยกว่าสี่รูปไม่ต้องทบทวนอ่าไม่ต้องทบทวนแล้วถ้าทบทวนเนี่ยแสดงว่าวัดที่มีภิกษุมากกว่าสี่รูปจะต้องปีถ้าภิกษุอ่าในจำนวนหนึ่งซึ่งท่องศีลได้ทั้งหมดถูกต้องศีลที่เป็นเื้องต้นแห่งพระมรร์นะ เดี๋ยวฉันอยากทราบว่าใช้ความยาวเท่าไหร่อของเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าจะพูดเฉพาะภาษาบาลีไม่ไม่ถึงชั่วโมงห้าสิบนาที เ, เฉพาะภาษาบาลีทีนี้ถ้ามีการทาให้มีความเข้าใจด้วยก็คงต้องเกินไปกว่นานั้นอีกคือเหมือนกับว่าจะพอเปิดฉากมาก็พระภิกษุรูปนี้ก็ <จะ S 1> เริ่มเล ย, เลยใช่ไหคะใช่เริ่มเลยาประชกมีอะไรบ้างหนึ่งภิกษุใดถึงพร้อมด้วยสิกขาและ อาสาชีพของพิสุทธ์ทั้งหลาย้ไม่กล่าวคืนสิกขาไม่ได้ทําให้แจ้งความเป็นผู้ต่อยกําลังพึงเสพเมตุนธรรมอันแม้กับด้วยเดชานตัวเมียพิกษุ์นี้ก็เป็นปาราชิกเนีย้ยไล่ไปข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ะอันนี้นี่พูดถึงภาษาไทยนะอแต่เวลาที่เขาสวดก็จะเป็นภาษาบาลีด้วยอพอพระภิกษุรูปดังกล่าวนี้สวดจบแล้วเกิดอะไรต่อไปลก็ไดนะอก็จะถือว่าเราเอาศีลมาทบทวนแล้ว เอาสินมาทบทวนเนี่ยก็ก็คือจบแค่นี้ก็ไม่มีอะไรก็จบก็ถือว่ า, อาได้รับทบทวนสีลกันละได้เข้าใจแล้วนะสินเป็นเบื้องต้นของพรมจารย์เป็นอย่างนี้นะา่าก็แยกย้ายกันไป อ, อก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการตอบย้ำํำว่าศีนที่จะต้องรักษาที่เป็นเบื้องต้นของปรมจารย์มีดังนี้ดังนี้อทีนี้ก่อคือศีลที่ต้องรักษาเนี่ยคือทุกข้อเราต้องรักษาหมดต้องพยายามที่จะศึกษาในการที่จะรักษาให้ได้ แต่ที่เอามาทบทวนเนี่ยมีแค่จํานวนนี้โอ้ค่ะแตที่พุทธเาตรัสไว้เป็นพุทธวจนะ ก, ก็คือมีศีลร้อยห้าสิบข้อที่เป็นเบื้องต้นแห่งพระมจรรย์ค่ะและที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านเนี่ยว่าการที่ขณะพระภิกษุกําลังทบทวนศีลกันอยู่คราว่าที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยจะอยู่ได้แค่ไหนอย่างไรผู้หญิง อ, อยู่ได้ไหม เข้าไปถ่ายโรูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้ไหมคะเออก็เป็นพุทธประจนะที่บอกว่าในในบริเวณที่ทําอุโบสถเนี่ยที่มีการทบทวนศีลอยู่เนี่ยจะต้องเป็นมีเฉพาะผู้ศึกษาเท่านั้นสามเณรก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าบริเวณเนี่ยอนาเขนเรากําหนดยังไงนันก็คือกําหนดที่หวานมือไป ร, บรอบๆเนี่ยไม่โดนใครนั่นก็เรียกว่าบ่วงแห่งมือหัถบาท<อ>หัถบารศกาบ่วงแห่งมือเ<อ>พราะฉะนั้นในเอื้อมกันไม่ถึงเนี่ยก็ถือว่าโอเคล้พารามิเตอร์นี้นะ คุณกระชับพื้นที่นี้ไว้ Why? นะไม่ให้ใครเข้ามากันหนึ่งอ๋อค่ะ mm hmm. ทฉันเห็นมีบางท่านนะคะที่จะอยู่รอบๆก็ไกลกว่าหัถบาทเนี่ยนะคะ mm hmm. แล้วก็อยู่ในลักษณะที่ปฏิบัติอิ่มเอิบใจมาก mm hmm. เหมือนกับมีความเชื่อว่าการปฏิบัติอยู่รอบๆขณะที่พระกำลังทบทวนศีลกันเนี่ยจะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเป็นพิเศษอย่างนี้เกี่ยวกันมท่นคะอ uh, มันก็แล้วแต่บุคคลไง ถ้าบุคคลนั้นเขาคิดอย่างนั้นนะแล้วเขาทําแล้วจิตเขาดีวางลงได้ก็ก็ถือว่าอันนั้นก็ถูกของเขาทีนี้ว่าเหตุการณ์นี้มันก็เกิดทุกสิบ้าวันเท่า น, นั้นเองมันจะไม่ได้มีทุกวันอย่างบางวัดทําวัดเช้าวัดเย็นทุกวันหรือว่าทุกวันพระแต่อันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์พิเศษที่มีทุกสิบห้าวันแล้วทุกคนต้องทําำต้องต้องทำํำยังไงก็ต้องทําถึงแม้ว่าจะมีอยู่สี่องค์ก็ตามก็ต้องทําชนิดที่ว่าไม่ต้องมาทบทวนทั้งหมดแต่แค่ประกาศว่าอันนี้เป็นวันอุโบสถของฉันนะ ค่ะแล้วทีฉันได้ยินท่านพูดเหมือนกับว่าวันเนี้เป็นแรมสิบสี่ข้ามเดือนเจ็ดแต่ถ้าท่านจะทบทวนศีลหรือว่าจะสวดปฏิโมกอย่างเงี้ยนะคะว่าจะทําในวันที่สิบเก้าอันนี้เป็นวินัยหรือเปล่าคะหรือว่ า, วาแล้วก็จะมีของบางสัปดาห์ที่ว่ามีอาทิตย์นั้นเนี่ยของวันพระนี่มีเจ็ดวันหรือหกวันอหรือแปดวันแล้วมันก็จะเลื่อนไปอีก อีกวันหนึ่งส ม, มุติแรมปกติมันมีสิบห้าข้ามแปดข้ามพวกนี้ใช่ไหมแต่วันเนี้ยเป็นไม่ใช่แรมสิบห้าข้ามนะแต่เป็นแรมสิบสี่ขเพราะฉะนั้นก็ตามปฏิทินก็เลยจะเลื่อนไปเป็นขึ้นหนึ่งข้าอย่างเงี้ยเลื่อนไปวันถัดไปนะที่ที่มันควรจะต้องเป็นสิบห้าข้ามแต่สิบห้าข้ามมันไม่มีก็เลยเป็นหนึ่งหนึ่งข้ามแทนอ๋อคือหมายก็ว่าวันพระนี่ก็ยังเป็นวันพระเหมือนเดิมใช่คือวันแรมสิบสี่ข้ามเดือนเจ็ดใช่แต่ว่าสําหรับประสงค์ที่จะทบทวนปฏิโมกขันนั้นจะ ทำในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้เต็มสิบห้าวั น, ต, นตามพระวินัยถูกต้อง น, นะคะจริงๆแล้วดิฉันก็ฟังดูว่าน่าสนใจมากนะคะสำหรับระเบียบวินัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้และดิฉันยังมองว่าใครที่มีกฎระเบียบต้องรักษาร จ, รจริงๆแล้วถ้าไม่ทบไม่ทวนบางครั้งมันก็ย่อหย่อนไปได้เหมือนกันตรงนี้ผู้เชา่าบอกว่า ถ้าบอกว่าเราไม่พยายามที่จะรักษาสิ่งที่คุณรักษาและไม่พยายามละเว้นสิ่งที่คุณละเว้นเนี่ยคนนั้นชื่อว่าไม่มีสติไม่ต้องมาคุยอะไรกันเลยถ้าคุณไม่มีสตินึกถึงตอนที่เรียนอนุเรียนลูกเสอือเรียนให้ได้ยินลูกเสือเข้าปฏิญาณตนกันบ่อยๆเวลามีกิจกรรมถ้าคนที่ต้องรักษากฎหมายรักษากฎระเบียบต่างๆทบทวนอย่างนี้ก็น่าจะเข้าท่ามกันนะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอจากทางรายการ ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เสนอไปแล้วจบจบกันนะคะดิฉันก็เคารพในมติของคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีหรือไม่ดีถ้าเห็นว่าอะไรดีก็ไปทําอำแต่ว่าในการดิฉันเคยเข้าคอสปฏิบัติธรรมค่ะนะคะก่อนอที่จะปฏิบัติธรรมจะให้กล่าวคําปฏิญาณตนว่าคําปฏิญาณนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เจริญในธรรมทั้งนั้นนะคะอืเนี่นมันเหมือนเตือนตัวเราเองทุกวันวา่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนกัน จะสามารถคีกัน อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะดีเนาะค่ะก็สิ่งที่น่าทในเรื่องของปฏิโมกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกสิบห้าวันทำนะทมแล้วก็จำนวนที่ให้ทาเนี่ยอย่างน้อยพระเจ้าศีลเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คือร้อยห้าสิบแต่เมืองไทยเขาท 7, นะํสองรอยี่สิบเจ็ดเพราะว่าที่ระ บ, บุในอธิกาก็มีอยู่สองรอยสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นก็ไอ้เรื่องของการ รักษากับการทบทวนนี้ต้องประเด็นนิดนึงว่ารักษาเนี่ยมันต้องทั้งหมดอยู่แล้วพระสูตรต้องรักษาทั้งหมดนะทีนี้ไอ้การทบทวนเนี่ยย่อก็ได้นะแล้วแต่บางกรณีเช่นมีพิกษุเป็นบ้ามีพระราชาเสด็จมามีไฟไหม้มีเหตุการณ์ที่สามารถสวยดย่อได้ไม่จำเป็นต้องเอามาทบทวนเต็มทั้งหมดอืก็แล้วแต่เหตุปัจจัยใช่มีแล้วแต่ข้อจํากัดมีความยืดหยุ่นอยู่ตรงนี้อ๋อค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งถ้ า, า ก, กรณีของคุณยมติวที่พูดถึงเงี้ยถ้าสมมติมีพระราชาเสด็จมาตอนนั้นนะคือสมมุติคุณยมติวเป็นพระราชาสมมุตินะสาธุค่ะอะแล้วก็พระที่สามารถยกเลิกได้เลยปฏิโมกขานั้นไม่ต้องทําที่อาว่านั้นแมนี่พูดถึงเรื่องนี้ดิฉันนึกถึงเวลานั่งสมาธิอยู่ว่าท่านคะ <c oughs> ่ะไม่ใช่สวดปฏิโมกนะคะบางครั้งเนี่ยเรานั่งสมาธิพอนึกถึงกรณีทําสมาธิอะคะท่านค่ะ <c oughs> บางครั้งเนี่ยคนอื่นก็ไม่ทราบ ว่าที่เราหายไปเนี่ยหายไปนั่งสมาธิเกิดเขามีธุระเรียกเราก็จําเป็นเพราะนั่งต่อไปก็ไม่ได้แล้วเพราะการเรียกนั้นกระชั้นขึ้นทุกทีอย่างเงี้ยนะคะลุกจากสมาธิไปห้วนๆเลยเนี่ยมันเสียหายอะไรไหมคะหรือว่าก่อนจะลุกควรจ ะ, ะปิดการนั่งสมาธิอย่างรัดสั้นที่สุดอ๋อตรงนี้ก็คือว่าให้เราประคองสติไว้ตลอดถึงแม้จะลุกไปแล้วก็ประคองสติไว้ตลอดได้ ถ, ถ, ถ, ถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคคือให้เรารู้สมัยใจไปเรื่อยๆนะถ้าเราปฏิบัติอนาปานสติอ่คือคือการที่ออกโดยพูดพลาดเลยเนี่ยมันกาจจะทาให้ปวดหัวได้นะทีนี้จากจากประสบการณ์ของเราเองแต่ถ้าเรามีสติอยู่ไปเรื่อยๆเราไม่ได้ว่าจำกัดอยู่แค่เฉพาะอเดียบทใดไอเดียบทหนึ่งเดินไปคุณก็รู้สมัยใจไปก็ถือว่าโอเคล่ะอ๋อคือ <c oughs> มีเทคนิคในลักษณะนี้ ส่วนเรื่องที่จะไปแผ่เมตตาให้ใครอุทิศบุญให้ใครอะไรยังไงนี้ทําทีหลังได้ได้ได้ค <c oughs> ค่ะก็เลยได้คําตอบที่กําลังสงสัยอยู่พอดีการาบน้อมักการขอบพระคุณท่านเพบุญสําหรับวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะนมักการค่ะต่าตนพระพันขาววันนี้เราก็ให้ท่านได้รู้จักวินัยของพระพุทธองค์ที่พระสงค์มาถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติกันอยู่และที่ฉันคิดว่า จะได้เป็นการเพื่อพูนความรู้ของพวกเราแล้วเวลาที่มีข้อสงสัยกันเอ๊ะพระเขาทำอะไรกันทำไมพระบอกให้นั่งรอในวันที่ทบทวนปฏิโมกเนี่ยจะได้เข้าใจว่ามีที่ไปที่มาแล้วน่าสนใจมากก็คือว่าเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นในบรรดาทั้งหมดที่ปกติเนี่ยจะต้องมีเหตุขึ้นมาก่อนนะคะไปขอหรือเหตุจำเป็นพระพุทธองค์จึงจะส่งบัญญัติเป็นวินัยไว้แต่ว่าในกรณีนี้ส่งระลึกว่าจะต้อง มีการทบทวนและเรื่องก็ฝากไว้นะคะว่ากฎระเบียบต่างๆถ้ามีการทบทวนกันอยู่บ่อยๆมันก็จะทำให้กฎระเบียบนั้นมันฝังอยู่ในใจไม่ค่อยจางหายจางคลายกันไปได้โดยง่ายใดดีนะคะตอนมีอยู่นั้นมันเป็นกฎที่ไม่ได้แต่เป็นสักว่าแต่เป็นกฎนะคะค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่า น, นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการสรสนิสนทนาพุทธวัตรสวัสดีค่ะ